ข อ, อนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไก่จากกิเลสตัสรุชอบได้โดยพงเองข อ, อนอบน้อมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวข อ, อนอบน้อมพระยะงค์ผู้ทรงพระธรรมวินัยก็ขอากาบถวายความเคารพหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโณแล้วก็หลวง พ, พ่อกรมผู้เป็นประธานแล้วก็ขอากาบ ขอโอกาสจาคณะสงฆ์ขอเจริญในศีลเจริญในธรรมยังไม่ขี อ, อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกคนก็นั่งตามปกตินะไม่ต้องประนมมือก็ได้นะเพราะว่าการที่เรา ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยนะก็อาศัยการกระทําที่เป็นปัจจุบันเพราะว่าการที่เรามาเจริญสติเจริญปัญญานั้นเราก็อาศัยกายอาศัยใจของเรานะในการที่จะกระทํา เพราะฉะนั้นการกระทําอะไรก็ดีนะก็เราเน้นที่การมีสติรู้เท่าทันนะเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นก็คือเราต้องมีสติรู้ที่กายนะการเดินตรงกลมก็ดีการยกมือเคลื่อนสติก็ดีเราก็มารู้ที่กายนะกายเคลื่อนกายไหว ให้ใจมันรู้ไม่ว่าทำแล้วจิตสายใจไม่ตามมันก็เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นการจเจริญสติ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะแต่ก็สำหรับคนที่ มีสติยังน้อยก็ยั ง, ก, ยงก็ยังใช้ความภาคเพียนดูนะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องการจเจริญสติแล้วเนี่ยมันง่ายง่ายเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้กับทุกอริยาบทที่เรามีการเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไร ก็เราอย่ารีบร้อนนะให้ดูที่ตัวเองโดยเฉพาะการที่เราเน้นเรื่องการปฏิบัติเก็บอารมณ์บางทีเราก็ทำงานดังอื่นเราก็รีบเร่งนะเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จแล้วเราจะได้ไปเดินจงกลมได้ทำาการเจริญสติแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่า การงานที่เราทำอยู่ที่เราประพฤติอยู่ก็คือเกิรเป็นการประพฤติทำบริบาตทธรรมะก็คือหน้าที่แต่เพียงเราให้เอาสติเข้าไปประกอบเท่านั้นเองมีสติหยวกการเคลื่อนไหวใจรับรู้อยู่อารมณ์เราก็จะได้เยือกเย็น บางทีเราทำการทำงานเนะเราก็อาจมีความเครียดอยากจะให้การงานนั้นเรียบร้อยอยากให้การงานนั้นดีตามค่าดตามที่เรามีเป้าหมายไว้เราก็ไปเครียดกับการกับงานบางทีทำให้เมอนทิสะทำให้แน่นหน้าอกนะบางทีเราเราไม่ได้ดูตัวเองนะ เพราะฉะนั้นถ้าอาการแบบเนี้ยคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็เป็ น, เ, นเวลาเป็นบางคนก็เขาก็ปล่อยวางปล่อยวางจากการงานก็พักผ่อนหลับนอนคือให้มันสบายขึ้ น, นแต่ของเราเนี่ยเวลาเป็นเรารู้เราก็มาดูที่กายให้มันชัดเท่านั้นมันก็หายแล้วนะดูที่กายให้มันชัดขึ้น ทำจิตใจให้สบายนักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยเวลาเป็นอะไรมาก็ร้อนใจลุกลี้ลุกลนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราต้องทวนกระแสอย่าเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปความปรุงแต่งจิตใจมันไม่สบายเราก็เป็นไปตามมันมันก็เพิ่มทวีคูณแล้ว น, นะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นผู้รู้ เป็นผู้ดูแต่อย่าเป็นผู้เป็นนะก็คือทวนกระแสทาจิตใจให้สบายแม้แต่เวลาเรานั่งก็ตามมันก็ปวดแข้งปวดขาแล้วก็ทําให้สบายแล้วก็เปลี่ยนอิเดียบวดเท่นั้นเองปวดแข้งปวดขาก็รู้มันนะเพราะฉะนั้นกา ร, รพูดทาปฏิบัติธรรมก็คือการกำหนดรู้นะรู้แล้วเหตุแห่ง ความทุกข์ก็คือตัวสมุทยัยก็คือเร า, เราให้ละรู้แล้วไม่ใช่ว่าไปไปกําหนดรู้ไปจดจอ่อนะทุกข์ให้กําหนดรู้สมุทัยให้ละถ้าปฏิบัติอีกแนวหนึ่งรูปหนึ่งเขาจะไปเพ่งดูเพ่งดูแล้วไปกําหนดรู้ทุกข์ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตามหลักสมุทว่าไทยเนะี่ย คือทุกข์ให้กำหนดรู้เรารู้ว่ามันทุกข์ทุกข์จากความคิดทุกข์จากการที่เรานั่งหน้นนนนานั่งนานๆเราจะทํำยังไงนะเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแสดงว่าเออมันปวดแข้งปวดขาเนี่ยสติปัญญามันเกิดแล้วนะเราก็ต้องเปลี่ยนตามมีการแก้ไขมีการดูแลตัวเองไม่ใช่กิเลส แต่ถ้าเราอยากจะไปนู่นทิศนู่นทิศนี่ขึ้นมาเราก็ไปตามอันนั้นเป็นกิเลสแล้วโยมนะเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ภายนอกรู้ภายในรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะจะเดินไปไหนก็ให้มันรู้ตลอดนะเวลาไปเอาเก็บมือไปเอามือมามันรู้ไหมนะนะรู้แล้วบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปตามมัน นะอย่างรู้ความคิดอย่างนี้มันเห็นแล้วคนโน้นคนนี้อยากจะพูดอยากจะคุยแล้วก็ไปตามมันนะโยมพอไปตามมันแล้วมันสมปัติธนาอยากแล้วมันก็หายนะเพราะฉะนั้นที่เราสวดมนต์ที่เราทําวัดคําที่ว่าปัจจุบันอ่าทันเจยโตธรรมกัตถาตัทวิปัตติอะไรเนะี่ยอสังหฮลังอสังุ ป, ปังตังวิทามนุภูหายย ผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะในที่นั้นๆอย่างเก่ียมแก้งไม่งอนแงนและคอนแคนเขาควรพอกพูณอาการเค่ น, นั้นไว้ในเมื่อเราเห็นว่ามันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะไปที่นุ่นอยากจะทำที่นี่นั่นแหละเราเห็นอาการแล้วมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราดูมันศึกษาจากมันนะมันก็เกิดสติเกิดปัญญา แต่ถ้าเราเข้าไปพูดไปคุยไปทำในะสิ่งที่มันต้องการมันสมปรารถนาแล้วมันก็หายไปอยาอเพราะฉะนั้นเราเราทรงสภาพนั้นไว้เราเพื่อที่จะศึกษามันดูมันยกมือขึ้นไปเอามือมาเราไม่ไปอยู่กับความคิดเหล่านั้นมันจะหายไหมบางทีมันก็เป็นยางเหนียวมันคิดในสิ่งนู้นสิ่งนี้เราก็ไป ติดอารมณ์ในความคิดคืออยากจะดูอยากจะคิดมันไปจบจบโยมความคิดมันไม่จบสิ้นโยมมันคิดเรื่องนี้พอมันจบเรื่องนี้มันก็ไปต่อเรื่องนู้นนะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นความคิดนะเราอย่าแปลาดีกับความคิดนะจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีเราก็ตัดออก กลับไปอยู่ที่ตัวสติคือตัวรู้นี่แหละนะเพราะว่าสติหรือตัวรู้เนี่ยเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจของเรานะเพราะว่าที่พึ่งพาทางด้านร่างกายของเราก็มีอาคารต่างๆที่เราอาศัยหลบแดดหลบฝนโยมแต่พึ่งพาทางด้านจิตใจของเราเนี่ยเราเคยสร้างไหมเคยทำไหม บางทีมีอารมณ์มากระทบมีคน น, นั้นด่าคนนี้ว่าเราเราก็ไม่พอใจไม่สบายใจมีคนมายกยอสรรเสริญเราเราก็ดีใจจิตใจเราก็เดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็แฟบอยู่อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้เท่ารู้ทันเนี่มันจะไม่ปรุงแต่งดีไม่ปรุงแต่งร้ายนะเรารู้รู้แล้วก็เข้าใจนะ เพราะว่าคำพูดคำด่าคำชมอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นคำที่สมมุติกันขึ้นมานะแม้นแต่ชื่อเราเราเกิดมาเลออ็กๆร้องวุ้งแแว้ะเราก็ไม่มีชื่อโยมพ่อแม่ต้องมาตั้งชื่อให้เรานายแดงนายมีนายนเขียวนายขาวอะไรก็ตามนั้นน่ะนะแม้นแต่หมูแต่หมามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นช น, น, นิดนั้นชนิดนี้ เราก็ไปแต่งตั้งให้มันสมมุติให้มันเท่านั้นเองนะพอมาสมมติว่าคนเป็นหมาเราก็ไม่พอใจนะสมมุติว่าเป็นที่เป็นสัตว์เราก็ไม่พอใจเนะพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องสมมุตนะิรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเราจะได้รักษาอารมณ์ของเราได้เนะพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาทุกคน เกิดมาทุกคนก็อยากจะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละนะแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเราทําไมต้องเอาทุกไปให้คนอื่นในเมื่อเราต้องการความสุขเราแต่เราความทุกไปให้คนอื่นโดยการไปด่าไปว่าไปอิจฉาริษยากันนะอย่างสังคมปัจจุบันมีการแข่งดีแข่งเด่นกันสารพัดอยม่เขาก็คิดว่าเป็นความสุขอันนั้นคือความหลงนะหลงดีเราได้ ถูกเสียงเขาเราได้แกล้งเขาเขาก็คิดว่าเราดีเราเก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้เรื่องของอารมณ์นายโยมนะเราจะไม่ไปทําในสิ่งที่มันมันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ดีนะโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนของเราปัจจุบันยิ่งแล้วเลยนะไปตามสื่อตามอะไรต่างๆก็ไปติดตามนะทําตามสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ทําให้ลูกหลานเรา ประพฤติไม่ดีนะเมื่อเมื่อลูกหลานเราประพฤติไม่ดีใครเป็นทุกข์ก็ผู้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายนั่นแหละทุกข์ใจนะพอเอาจิตใจไปฝากไว้กับลูกกับหลานเดียวนะหวังให้ลูกหลานต้องเป็นอย่างงู้นน้องเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้สมสมที่เราปรารถนามันก็เป็นทุกข์นั้นเองนะบางสิ่งบางอย่างเรา เราเอ า, เอาให้เขาเขาไม่เอากับเราเดี๋ยวอย่างความดีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปล่อยวางซะนะไม่ใช่ว่าเราไม่พอปล่อยวางเราก็ไม่ต้องทำหน้าที่เลยเขาทาอะไรเราไม่ตักเตียนมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการปล่อยวางกับการปล่อยปะละเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆ ก, กันโยมน ะ, นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติรู้ รู้แล้วก็ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวตเองอย่าให้เป็นทุกข์นะเพราะาเราอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวนะบางทีก็เ้าทำให้ถูกใจบ้างทำให้เราไม่ถูกใจบ้างเราจะเอาอะไรถูกใจทุกอย่างก็ไม่ได้โยมแม้นแต่สิ่งที่เรากระทำเองเรานึกเร า, เราคิดขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้ดังใจเราทุกอย่างนะ มันก็ทําให้เราเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง เ, เพราะฉะนั้นเราจะเอาดีกับคนอื่นมันไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเรามาเพื่อศึกษาเรื่องคิตใจของเราเองนะมาศึกษาเรื่องความทุกข์นะเพราะว่าคนเราจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยมันต้องรู้เรื่องความทุกขนะ์ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุอะไรนะนะ ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราก็ออกทุกข์ไม่ได้แม้แต่ทุกข์ทางด้านร่างกายเนี่ยเรานั่งนานๆมันปวดขาไหมปวดแข้งปวดขาทำไงมันถึงจะออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรมันก็ทุกข์อย่างนั้นเลย ม, มีขาก็ปวดแข้งปวดขาบางทีมีหูก็หูตึงหูหนวกเงี้ย มีตาก็ตาผ้าตาฟางมีปากก็ปวดฟันมีผมก็งอกมีสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าถ้าเราไม่ปรงถ้าเราไม่รู้จักที่จะอยอมรับความเป็นจริงอพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้บางทีเรามีสิ่งนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้ จิตใจมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรายอมรับตามสภาพตามสภาว ะ, ะที่มันเป็นมันมีมันก็สบายคนเราเกิดมาบุญธรรมกำแต่งมันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาสวยมาหล่อบางคนเกิดมาขี้เลหลงไงโยมเราจะให้เหมือนคนอื่นได้ไหมมันก็เปื่อนไม่ได้นะ แต่สิ่งที่เราจะทำให้เหนือกว่าคนอื่นได้ก็คือคุณงามความดีนะการเจริญสติรู้เท่ารู้ทานอารมณ์เราจะได้ไม่ไม่ไปทำในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่เราชอบบางมันอาจจะไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็จะตัดออกจากสิ่งที่มันทำไม่ดีไม่งามได้เพราะเรามีสติรู้ เห็นมันมันจะรู้มันจะคิดจะมันจะทำอะไรเน่ยมันจะเกิดขึ้นที่ไหนยงมันจะเกิดขึ้นที่ใจใจมันจะคิดก่อนเราจะรู้เท่ารู้ทันมันว่าโอ้มันจะทำในสิ่งนู้นสิ่งนี้เราก็จะสามารถที่จะตัดอารมณ์เหล่านั้นออกได้ถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันถ้าเราไม่มาฝึกกติมันอยากจะทำอะไรก็ ไปตามมันพอเราทำผิดแล้วพลาดแล้วเรามารู้ทีหลังมันมันเกิดประโยชน์ไหมมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วการที่เราจะแก้ไขและแก้ไขที่ไหนใช่ไเราต้องแก้ไขที่ตัวปัจจุบันเ๋ยวถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่ตัวปัจจุบันนะมันนึกมันคิดิ่งโน้นถึงนี้โอ้มันไม่เป็นธรรม เราไม่ปฏิบัติตามแต่ถ้าสิ่งไหนที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยเราทําแล้วมันก็มีคุณต่อเรามีคุณต่อบุคคลอื่นแต่ถ้าสิ่งไหนไม่เป็นธรรมแล้วมันก็ให้โทษตัวเองให้โทษคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะทำํำคือเรามีสติรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะศึกษานะจะให ทำให้มันมีมันเป็นขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีสติเราอยู่กับตัวเองเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเราอยู่กับคนที่มากลายเนี่ยเราก็อยู่อย่างเป็นสุขแต่ถ้าเราไม่มีสตินายมอยู่ไปหลายหลายคนทะเลาะกันไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ มันก็ขัดแย้งกันขัดแย้งกันมันก็คือขัดแย้งภายในอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละโยมการที่เราจะว่าคนอื่นการที่เราจะอ่าแสดงกับบุคคลอื่นไม่ดีเนะนี่ยนะมันจะแสดงกับตัวเองก่อนนะมันจะทําร้ายคนอื่นมันก็ทําร้ายตัวเองก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้เท่ารู้ทันเนี่ยโอ้ ทำแล้วมันเป็นทุกข์โยมรู้ว่าเป็นทุกข์เราก็ออกออกจากมันไดน้ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เนี่ยเราจะยังยินดีกับมันอยู่ยอย่างคนถกเถียงกันเนี่ยโอ้เขาก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงํำเครียดเขาก็ยังบอกว่าเขาสะใจ เ, เขายังคิดว่าเป็นความสุข ทั้งที่ทุกข์เยียนตายอยูพอเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยพอเราไปเห็นอารมณ์แบบนั้นเราหน้ากลัวอยูหน้ากลัวเทียนละลายไขย่ใจร้อนละลายสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นมันก็หายไปหมดนะพเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือเรารักษาใจรักษาอารมณ์ ให้เมื่อมันเห็นสิ่งดีสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนความรู้สึกตัวก็ถือว่าเป็นที่พึ่งอันกะเสีมของเราเพราะว่าคำสอนของอพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนทางด้านพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้แปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์มากมายนะมากมาย เกินที่เราจะศึกษารู้ได้หมดนะแต่การาคำสอนเหล่านั้น 84,000 ื่นสี่พันันธมครันเนี่ยถ้ายน่นลงมาก็เหลือแค่กายกับใจเท่านั้นเองอยู่เหลือแค่กายกับใจยน่นกายกับใจลงมันก็เหลืออยู่ที่สติเท่านั้นมันก็สุดยอดคำสอนของพุทธศาสนา นะก็มารวมลงที่สติเท่านั้นเองก็แสดงว่าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีโอกาสนะเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่มีามบารามีมากนะที่ได้มาศึกษาหลักธรรมคำสอนองค์งสมเด็จสมมาทัมพุทธเจ้าของเรานะเป็นคำสอนที่มากมายแปดสิบสี่ 4, 4, พันพระธรรมขันธ์จบ จบที่การลงที่ตัวสติเท่านั้นเองนะเพราะาคำสอนเหล่านั้นก็เามาจากไหนก็เอามาจากกายจากใจของเรานะเพราะฉะนั้นแม้แต่เราจะศึกษาพราะไตรปิฎกมากมายแต่ถ้าเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติทมเนี่ยมันก็ไม่เกิดพักเกิดผลขึ้นมาได้นะแม้แต่ศึกษา วิชาทางการาทางนอกก็รู้หมดทุกอย่างมันก็มาดับทุกข์ของเราไม่ได้ถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานะเพราะฉะนั้น <c oughs> โยมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีบุญทุกคนที่ได้มารู้เรื่องสติรู้เรื่องอารมณ์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นคนเราทำดีเนี่ยการให้ทานรักษาศีลเขาก็ต้องการบุญทั้งนั้นเลยโยบุญเหล่านั้นเราจะต้องรักษามันประคองมันนะอย่างเราทำความดีแล้วให้ทานรักษาศีลแล้วมีคนมาด่ามาว่าเราเนี่ยโยเราเกลโกดเขาเราไม่พอใจเขา เราก็รักษาบุญไม่ได้เพราะบุญนั้นเป็นที่ของความสุขสุขเกิดจากการกระทำของเราแม้นแต่องค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดพุทธสุภาษิตไว้ว่าสุขโขพุทธะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นบุญก็คือความสุขใจ เพราะฉะนั้นบุญที่เราทำมาแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราไม่รักษามันมันก็มันก็หายนะแต่บุญที่ทเราที่มันเกิดจากการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราเนโยมมันจะรักษารักษาใจเรานะรักษาบุญไม่ให้ตกหล่นหายนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติสมควรเกียรธรรมแล้วเนี่ย เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์มีสติมากมีคนมาด่ามาว่าเราเราก็ไม่เสียอกเสียใจอยูเรียกว่ามันรักษาเราปกป้องเรานะไม่เหมือนบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลนะแต่ถ้าเราไม่ประคองมันมันก็ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการประพฤติทำบาริบัติธรรมเนี่ยพึงว่ามันมีบุญคุณต่อเรามาก นะทุกคนเกิดมาต้องการความสุขที่จะมาพูดไปก่อนหน้านะไม่ต้องการความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขเนี่ยเราต้องการความสุขต้องการรักษาความสุขไว้ให้อยู่กับเราตลอดไปเนี่ยเราก็ต้องมาเจริญสตินะเจริญสติเจริญปัญญาเราจะได้รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ของเรา แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีบุญยมเป็นผู้ที่มีบุญคนที่มีบุญเนี่ยน่าจะจะอิ่มเอิบแจ่มใสสดชื่นหน้าตาไม่อมทุกเพราะคนมีบาปเนี่ยหน้าตาจะเศร้าหมองมีความทุกข์ภายในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นคนมีบุญเน่ มันส่อแววออกมาให้คนคนภายนอกเขาได้รู้นะเขาได้เห็นกันหน้าตาสดใสจิตนะใจเบิกบานนะอย่างเราหรือญาติโยมนะนักปฏิบัติธรรมเนะี่ยจิตใจมันตื่นอยู่โยมนะนี่แหละเราเป็นพุท ธ, ธะที่แท้ไม่ใช่ว่าเป็นพุท ธ, ธะเฉพาะ ทะเบียนบ้านนะคำว่ า, าพุทธโทรหรือพุทธะเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือเบิกบาน จ, จิตใจนะตื่นกายตื่นใจอยู่ไม่ใช่ว่าพอเราเกิดขึ้นมาทางฝ่ายเจ้าที่ทะเบียนเขาก็ลงไว้ ัญชาติไทยอพุทธศาสนานะเขาลงไว้แต่เรายังไม่พุทธไม่กิ่งโยมคือเราไม่ยังไม่มีเชย้อของพุทธะอะไรนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็นะได้ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรา เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาแล้วรู้แล้วเนี่ยเราจะได้เอาไปใช้กับหน้าที่การงานของเรานะการงานของเราจะได้ไม่มีปัญหาบางคนทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานโยมทาได้ปีหนึ่งสองปีก็เปลี่ยนละเปลี่ยนงานนะเพราะอะไรเพราะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน อันนี้คือเราไปดูที่บุคคลอื่นเราไม่ได้ดูที่ตัวเองเราไม่ได้ศึกษาที่ตัวเองเราทำไมต้องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยเพราะมันขัดแย้งภายในจิตใจของเรายาูนะเพราะฉะนั้นพอมีอะไรเราก็ไปโทษคนอื่นนะไปโทษคนนน้นคนนี้เราไม่ได้มองที่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมอฏิบัติธรรมก็คือการมองตัวเองการเข้าศึกษาตัวเองนะ ในเมื่อรู้ตัวเองแล้วเราก็แก้ไขตัวเองได้บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามองแต่คนอื่นมองโลกภายนอกมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดโลกภายนอกกว่วงไกใ่ใครรู้โลกภายในเลือกซึ่งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในมองที่ตัวเราอยู่ อย่างเรายกมือกนนันสติขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยรู้ไหมเก็บมือแปะามารู้ไหมรู้ตัวเนี้ยในน้อยตัวเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงกิจใจของเราได้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราได้นะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนดโยมเป็นสภาวะเป็นอาการภายใน เราไม่สามารถที่มองด้วยตาเนื้อเห็นนะไม่ให่เป็นรูปเป็นก้อนนะเป็นแต่เปียแต่เป็ น, เ ป, นเป็นสภาวะอาการเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้ความเพียรโยมนะทำอะไรก็พยายามรู้ ร, รู้อยู่ตลอดเวลานะศึกษาตัวเองรู้ตัวเองเราอย่าไปมองต่อคนอื่นคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำ ให้ไม่ทําเราก็ทำอยู่บางที่เกลียก็ทําขยันก็ทำส่วนมากเราก็ตามใจตามใจตัวมาตลอดเนาะเวลามันที่เกลียดโอ้ไม่อยากจะทําก็ตามใจเวลามันขยันก็ทำํำตามใจมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าตามใจตัวเองมากเกินไปนะบางคนบางทีเราถ้าตามใจตัวเองมันก็เป็นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์โยมเอาแต่ใจตัวเอง เวลาไปอยู่กับใครก็ก็อยู่กับเขายากถ้าเราเป็นคนตามใจตัวเองเราก็พยายามห้ามพยายามค้านมันบ้างบางคนถ้าตามใจคนอื่นมากเกินไปมันก็บางทีเขาขออะไรทำอะไรมันก็ตามใจเขาหมดมันก็ไม่ไม่ใช่ที่ นี่แหละเรื่องอารมณ์นายหเพราะฉะนั้นก็ศึกษาไปเรื่อยๆมันเข้าใจไม่เข้าใจก็อย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมียงนะมันจะปิดกั้นอารมณ์ของเราในเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ไม่วา่างนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยเราวางมันรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างนะขอให้เรา มีความรู้สึกอยู่กับการเจริญสติเท่านั้นเองแลนะ้วเราก็จะรู้เข้าใจเองอย่าให้ความอยากเข้ามาครอบงามเ ป, เป็นเจ้าอารมณ์ของเรานะก็คงสมควรเวลาเนาะก็ข อ, อยุติลงพงไว้เพียงเท่า น, นี้ก็ขอท้ายที่สุดก็ขอให้าญาติโยมและนักปฏิบัติธรรมจงเห็นธรรมในธรรมนะในสิ่งที่เร า, าประพฤติปฏิบัติ ทุกท่านทุกคนเจริญในธรรมาุ